ภัยทั้งหลายมีอยู่ในโลกโจรภัยอักขีภัยวาตะภัยอุทกภัยอักขีภัยไฟไหม้วาตะภั ย, ภ ย, ภ ย, ภ ย, มภยลมลมพายุอุทกภัยภัยน้ำท่ว ม, มสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในโลก เป็นอยู่ในโลกเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกจะต้องประสบสิ่งเหล่านี้หลบไม่ได้หลีกไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านฌานฉลาดพาเราหลบออกจากการมาอุบัติในโลกได้พระองค์พาหลบภัยต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันเกิดมาเกิดในโลก เนี่ยพระองค์ฉลาดฉลาดมากบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านมีความสามารถท่านบรรลุธรรมด้วยหลักอ ร, ยาาริยสัจทั้งสี่ที่เราฟังเทศลงตาท่างพูดถึงหลักของอ ร, ยาาริยสัจทั้งสี่อ ร, ยาาริยสัจทั้งสี่นี่แหละ เป็นหนทางเป็นจุดรวมเป็นศูนย์รวมเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเป็นช่องลอดอุโมงค์เพื่อที่จะหลุดจะเล็ดจะลอดออกไปให้พ้นจากการที่เราจะได้มาเกิดนในโลกถ้าเราไม่เล็ดไม่ลอดช่องทางตรงนี้ไปหรือเล็ดลอดออกไปไม่ได้เราก็ยังค้างอยู่ในโลกการที่เราค้างอยู่ในโลก สิ่งเหล่านี้เราจะต้องประสบพบเห็นต้องพบต้องเจอไม่ว่าเราไม่ว่าท่านภัยที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่จะทำให้เรามาเกิดมาบัตในโลกก็คื อ, อภัยของกิเลสนั่นะที่มีอยู่ในหัวใจของเราภัยของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราก็คือความไม่ฉลาดของใจของเราเนี่ยแหละมันไม่ฉลาด มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายในวัฏสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ ก, ก็เพราะเราอยู่ในอำนาจของมันอยู่ในเงื้อมมือของมันเราไม่มีหนทางไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสามารถเล็ดลอดออกมาได้เว้นพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีเต็มเปี่ยมถึงจะแหวกไหวยพาพวกเราออกมาได้ รองออกมาได้ด้วยพระองค์เองสอนบรรดาภาษาวกทั้งหลายให้เล็ดลอดออกมาตามได้ปลูกฝังอย่างพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกเงยงอกงามพัฒนาทาวรมาจนถึงเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญญาบารมีได้เกิดมาได้ประสบได้พบได้เห็นนอกจากเราอยู่ท่ามกลางของพระพุทธศาสนาแล้ว เรายังมีโอกาสเรายังอยู่ในปฏิรูปประเทศอยู่ในสถานที่มีครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนต้องการศึกษาธรรมเราก็มีที่ศึกษาธรรมต้องการปฏิบัติธรรมเราก็มีที่เภ า, ภาวนาเพื่อปฏิบัติธรรมต้องการรักษาศีนก็มีผู้ที่ส่งศีนให้เป็นเยี่ยงอยา่างให้เราได้รับศีนให้เราได้ประพฤติปฏิบัตรริตาม ผู้ที่เป็นเนื้อหนาบุญก็เป็นเหตุเป็นโอกาสให้เราได้ทําทานกับผู้ที่เป็นเนื้อหนาบุญพวกเรานี่ว่ามีโชคมีบุญญามีวาสนามีบารมีถ้าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังจิตใจให้ปลื้มปีติเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซนเท่ากับว่าเราอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางหนทางอยู่ท่ามกลางหนทางคือมรรคปฏิปทา คือข้อปฏิบัติที่จะพาเราเก้าวก้าวไปก้าวไปพื่อพ้นจากโลกแห่งวัฏฏสงสารนี้ได้แต่ถ้าเราหากเรายืนอยู่ท่ามกลางแล้วอยู่ท่ามกลางหนทางแต่เรายังยืนอยู่กับที่จะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ก้าวจะก้าวไปข้างหลังก้าวข้างซ้ายข้างขวาก็ยังไม่ก้าวยืนอยู่กับที่มันก็ไปไม่ถึงไหนมีหมายความว่า เราอยู่ถ้ำกลางพระพุทธศาสนาเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อประพฤติข้อปฏิบัติเพื่อทําให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อถีบตัวออกไปจากโลกแต่เรายังไม่ได้ก้าวเดินเลยสักก้าวสองก้าวไปยังไม่เดินเลยยังยืนอยู่กับที่เลยยังไม่ขยับเคยื่อนล่ะนอกจากนั้นแล้วบางคนไม่รู้จะหันหน้าไปตามหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไปหรือเปล่าไม่รู้สมมุติอย่างพระพเจ้าพระองค์ท่านทรงชี้ไปด้านทิศตะวันออกนะ ในขณะเดียวกันเรายืนหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเสร็จแล้วเวลาเราก้าวเร า, าจะก้าวไปไหนเราก็จะก้าวไปทางด้านทิศตะวันตกยิ่งก้าวไปเท่าไรก้าวไปเท่าไรก้าวไปเท่าไรก็ยิ่งห่างหนทางออกไปอยู่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทิศตะวันออกอยู่ทางนู้นเราเดินไปทางนู้นเราจะไปประสบความสุขไปประสบความเจริญถึงบรมสุขอยู่ทางทางนี้ แต่ในขณะเดียวกันเราหันหลังให้นอกจากนั้นแล้วเราไม่ยืนอยู่ที่เราก็ก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆยิ่งก้าวไปเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราหันหลังให้ก้าวไปเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไปเท่านั้นยิ่งก้าวไปเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไปเท่านั้นถ้าเราจะเทียบเหมือนกับว่าเราหันหลังให้กับแสงไฟในถ้ากลางกลางคืนเนี่ย ในเมื่อเราเดินไปเราเดินไปเราเดินไปเท่าไรก็ยิ่งห่างออกไปความมืดก็ยิ่งเริ่มมืดทึบขึ้นมาแหละก้าวออกไปเท่าไรก็ยิ่งมืดก้าวไปเท่าไรก็ยิ่งมืดเพราะอะไรเพราะมันห่างมันห่างไฟไปเรื่อยๆห่างแสงไฟห่างความสว่างไปเรื่อยๆยิ่งก้าวไปเท่าไรก้าวไปพ้นรัศมีของไฟก็มืดทึบเลยนี่หมายความว่าเราเกิดมาเรามีโอกาสแล้วอยู่ท่ามกลางหนทาง ประพฤติปฏิบัติแล้วแต่เราไม่สนใจศึกษาเราไม่สนใจปฏิบัตินอกจากนั้นแล้วเราก็พยายามมีความอุตสาหมีความพยายามประพฤติปฏิบัติตามอํานาจของกิเลสเมื่อก็เรายิ่งก้าวไปข้างหน้าหันหลังให้กับมรรคผลนิพพานะยิ่งก้าวไปก็ยิ่งห่างไปเท่านั้นยิ่งก้าวไปแล้วยิ่งห่างไปเท่านั้นก้าวไปจนก้าวไปหงไปห่างไปหาไป่หางไปจนจนเข้าในข้อ ทำที่ท่านว่ามาสว่างแต่กลับไปมืดมาอยู่บนขนทางมาอยู่บนข้อปฏิบัติแล้วแต่เราไม่ตั้งใจศึกษาตามประพฤตตามปฏิบัติตามแต่เรากลับทำตามทาอะไรทุกอย่างตามอำเภอใจการทำตามอำเภอใจทั้งหมดโดยไม่มีข้อปฏิบัติของศีลของของธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือทำตามอำเภอใจอำเภอใจร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเลย ทำตามชอบใจทำตามพอใจเอาแต่ใจของเราเป็นใหญ่ความคิดความเห็นแม้แต่แม้แต่เรื่องของกิเลสความคิดความเห็นมันก็เป็นร้อยแปดพันเก้าได้เช่นเดียวกันถ้าเราจะเทียบกับน้ำก็เท่ากับน้นำมหาสมุทรบันดาความอยาก ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษสงของกิเลสมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทระอีกบรรดากามทั้งหลายเนี่ยบรรดาน้ําดองคนทั้งหลายนีย่กามาสวาภวาสวะวิชาสวะเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ําดองอ่ายิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรมมันมากยิ่งกว่าน้ํำในมหาสมุทรอันนี้หมายความว่าเราไม่รู้ช่องไม่รู้ทางนะ ยินดีที่จะลอยคออยู่ในน้ำนั่นแหละแม้แต่จะมีเรือแม้แต่จะมีแพแม้แต่จะมีเกะาะซึ่งเป็นที่ช่วยทุ่นตัวเองช่วยพยุงตัวเองให้ขึ้นมาเพื่อได้อยู่สะดวกสบายแต่ก็ไม่สนใจไม่สนใจถ้าเราจะเทียบเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงบัติมาแล้วท่านนั่งบนเรื อ, อท่านนั่งบนเรื อ, อ เป็นเหตุให้ยืนอยู่บนนั้นอยู่บนนั้นประทับอยู่บนนั้นเนี่ยพ้นเวรพ้นภั ย, ภ, ย, ภ, ยภัยจากคลื่ น, นภัยจากสัตรายภัยอะไรต่างๆในมหาสมุทรอยู่ในที่ปลอดภัยเสร็จแล้วพวกเรานี่ว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรพระองค์ทรงเรียกทรงตะโกนทรงกู่เท่าไหร่พวกเราก็ไม่สนใจไม่สนใจที่จะวิ่งขึ้นเกาะไม่สนใจที่จะวิ่งขึ้นเรือขึ้นแพ ยินดีพอใจตามอำนาจของกิเลสอจมแพร่อยู่ในน้ํานั่นยินดีที่จะลอยคออยู่ในาน้ํานยินดีที่จะจมอยู่ในา น, าน้ําถ้าหากเราจมไปก็คือแม้แต่เราไหวอยู่ก็คือไหวอยู่ในกองทุกข์จมไปก็จมอยู่ในกองทุกข์ทุกข์จนหมดเพราะหมดชาติของความเป็นมนุษยอ์ อ, อาจจะไปอบัติดับชีวายชลไปแล้วก็อาจจะไปอบัติเป็น อาจจะไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกหมกไหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายหาความสุขหาความเจริญไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ได้สนใจใยดีกับการให้ทานกับรักษาการรักษาศีลกับการประพฤติธรรมกับการปฏิบัติธรรมนีคติของโลกมันมีอยู่อย่างนี้เป็นเป็นอยู่อย่างนี้มันมีโอกาสที่จะน้อมอมันมีโอกาสที่จะดึงมีโอกาสที่จะทวงจิตใจของเราของท่านไม่ว่าเราไม่ว่าท่าน เพราะฉะนั้นแม้แต่พวกเราสนใจอย่างนี้อยู่แล้วมีความตั้งใจให้ทานมีการตั้งใจรักษาศีลและมีการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ตั้งใจอย่างจริงจังเราก็อยู่อย่างอยู่ในเงื้อมมือของมันเวลาเราตั้งตัวตั้งตนเมื่อไหร่ที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รับความสงบถ้าเป็นน้าหมายถึงน้ำใจของเราพยายามทำให้เกิดความนิ่ง หมายความ ว, าว่าเราต้องการให้จิตได้รับความสงบมาดํารงจิตนั่งภาวนาหรือเดินจงกลมเพื่อให้จิตได้รับความสงบสักหน่อยเนี่ยก็แสของกิเลสอมันก็มาเขย่าเราตลอดเขย่าเราตลอดมันก่อกวนตะกอนภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอเป็นราคะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างความลุ่มหลงเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงอ มันมาขย่าวเราตลอดทุกระยะทุกเวลาโอกาสที่จะทำให้จิต ด, ดิ่งทำให้ตะกอนที่เป็นเรื่องของกิเลสมันนอนอ้นลงไปให้มันสงบระงับลงไปให้หจิตใจมันใสให้หจิตใจมันสว่างอยู่ในภายในแม้แต่ช่วขณะเดียวช่วขณะเดียวช่วการเวลาเดียวที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจเราก็ยังทำยากเราก็ยังยื้อแย้ง แข่งกับมันอยู่ยากเพราะอํานาจของมันมันเหนียวแน่นมั่นคงมีอำนาจของกิเลสเราดูดูไปที่ใจของเราเนี่ยเวลาเราดึงมาทางด้านศีลเราดึงมาทานด้านธรรมะเนี่ยมันมีความรื่นเริงมันมีความเพลิดเพลินมันมีความพอใจมีความสว่างสวัยอยู่ในภายใน เ, เราก็พอที่จะบึกบูนเข้าไปได้แต่ถ้าเราดึงมาแล้วมืดตึบดึงมาแล้วมืดตึบนี่มันก็ลําบากมากทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจเราจะต้องมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างจริงจังโดวยเพราะการการมาภาวนาให้จิตได้รับความสงบนั่นแหะอย่าลืมอุปกรณ์ที่สําคัญที่จะมามัดจิตของเราให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให้จิตได้รับความสงบอก็คือสติคือสัมผชัญญาอย่าลืมสตินี้เป็นอาการของจิตเป็นกิริยาของจิตที่เราพยายาม ทำความรู้สึกพยายามทําความรู้สึกเท่าทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นอย่างเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพยายามทําความรู้สึกอย่างต่อเนื่องอยู่กับพุโทโธนี่มันเป็นการจุดประกายความสว่างให้เกิดขึ้นภายในจิตอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันขาดสติถ้าขาดสติขาดสติไปแล้วกบมืดไปล้วมืดตึบตึบจนมองไม่เห็นอะไรนะ มันหลงไปมันเพลินไปกับอารมณ์ที่มันพายเรามืดตื่นง่งายๆเหมือนเส้นผมบางภูเขาอ่ะเราพยายามจับจุดนี้ให้มันได้เมือ่อเราพยายามบริกรรมให้มันติดกันต่อเนื่องพยายามให้มันบริกรรมให้มันติดกันต่อเนื่องเนื่องจากว่าสติของเราอ่อนสัมผััญญาของเราอ่อนนะฮะความภาคเพียนความตั้งใจดำํำริอยู่ในท่าทีที่อ่อนความถด บดความทนก็อ่อนอ่อนไปแล้วมันรีบปรีไปเลรีบเปลียยไปเลยสโนนหนึ่งอวิชชามันมาบทบังนะทึบมันดึงจิตไปใช้อย่างอื่นละหนึ่งมันดึงไปอย่างอื่นเรื่องอื่นออกไปกี่กี่เรื่องกี่ราวกี่อย่างละไปปรุงเรื่องนั้นไปปรุงเรื่องนี้เรื่องราคาบ้างเรื่องโทรศับ้างเรื่องวิตกกังวลเรื่องการเรื่องงานเรื่องทุกอย่างแล้วแต่มันจะดึงเราไปนึกไปคิดไปปรุงเราไม่รู้เรารู้มันไม่ทันกว่าจะรู้ทันโอ้ยเป็นคืบ เป็นวาเป็นเป็นคืบเป็นศอกเป็นวายืดไปเป็นเส้นเป็นกิโลถ้าจะพูดถึงขณะจิตกับห้าขณะจิตสิบขณะจิตก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าเราเผลอไปกับอารมณ์ของกิเลสที่มันดึงเราไปมันลากเราไปนี่นี่คือตัวเนี้ยตัวที่มันบดบงังทําให้เรารู้ยากเข้าใจา ย, ยากตามมันยากอวิชชาตัวนี้มันตามมันยากเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิติให้มันเด่น สัมปญชัญญะให้มันเด่นสัมปัญญะคือความรู้ตัวอืเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้รู้ตัวอยู่กับคําว่าพุทโธ ร, รู้ตัวอยู่ว่าเราบริกรรมพุทโธเรากําหนดสติแล้วอย่าลืมกําหนดสัมปัญญะนะทับเข้าไปอีกการที่เรากําหนดสติแล้วก็ประคองด้วยสัมปัญญะมันจะเป็นสองขาซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นการเดินไปได้ก้าวไปได้กระคับประคองไปได้ ถ้ามีแต่สติอย่างเดียวขาดสัมปชัญญะก็ห ม, มายความว่าคุณสมบัติของสตินิยมไปอ่อนไปจางไปมีสติ ด, ด้วยแต่อย่าลืมระลึกถึงสัมปชัญญะคือความรู้ตัวด้วยรู้ตัวว่าอ ย, ย่างไงรู้รู้ตัวว่าเรากำลังบริกา ร, รพุทโธพุทธโธพุ ท, ท ร, รู้ตัวว่าเรากำลังนั่งภาวนารู้ตัวว่าเรากำลังบริกา ร, รพุทโธ ร, รู้ตัวว่าจิตของเราอยู่กับคาว่าพุทโธ ร, รู้ตัวว่าสติ กำลังนำรองสติกำลังระลึกสติกำลังตั้งใจมั่นอยู่กับคําว่าพุทโธนี่เป็นของเป็นของง่ายๆเป็นของเป็นของซ้าๆซักๆที่เราจําเป็นต้องทําของซ้ำๆซักๆนี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เกาะไม่ได้สักทีแหละถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เกาะไม่ได้สักทีต้องการให้สงบสงบไม่ได้เผลอไปแล้วแป๊บเดียวเผลอไปแล้วแป๊บเดียวเผลอไปแล้ว เนื่องจากว่ากําลังเราไม่พอกําลังสติของเราไม่พอสัมผชัญญาของเราไม่พอมันก็เผลอไปแล้วถ้าสติของเราอยู่สัมผชสัญญาของเราอยู่กับเนื้อกับตัวที่เรากําลังนั่งทำนี่จิตมันจะเริ่มสว่างสว่างสว่างสว่างไปด้วยสติสว่างไปด้วยสัมผชัญญะอารมณ์ก็ชัดเจนอารมณ์ก็แรงคําว่าอารมณ์คําว่าพุทธโธมันแรงแล้วมันจ้า <c oughs> อารมณ์อย่างอื่นที่มันจะคอยแทรกมามันก็แทรกมาไม่ได้ อย่าลืมว่าจิตของเรานั้นมันจะรับรับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนได้เพียงอารมณ์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธเราจะต้องทําอารมณ์คําว่าพุทธโธให้มันชัดเจนขึ้นมาแจมแจ้งขึ้นมาเพียงอารมณ์เดียวไม่ virtuous, bam, ให้มีอารมณ์อย่างอื่นมาแทระถ้ามันแทกมาสองอย่างสามอย่างเพล่เเดี๋ยวอารมณ์อย่างอื่นก็ดึงไปแล้วเพล่เออารมณ์อย่างอื่นก็ดึงไปแล้วในขณะที่มันดึงไปสติเราห ย, ย่อนแล้วสติ เราอ่อนแล้วสมัมผชัญญะเราอ่อนแล้วมันดึงไปแล้วลากไปแล้วเราไม่รู้สึกตัวเราพยายามจับตรงนี้ให้ได้จับได้ครั้งสองครั้งได้ครั้งสองครั้งเนี่ยแล้วจับไปเรื่อยๆจับได้ครั้งสองครั้งเนี่ยจิตของเรามันจะตื่นเนื้อตื่นตัวมันจะทําให้เกิดการระแวดระวังมันจะทําให้เราตั้งอกตั้งใจภรราวนาแล้วก็จิตก็อยู่เมื่อจิตอยู่จิตก็พลอยจะได้รับความสงบกิเลมันแทรกเข้ามาไม่ได้กิเลมันแทรกเข้ามามันไม่แทรกเข้ามาทําอะไรดอก มันแทรกเข้ามาดึงจิตเราไปอพอมันแทรกเข้ามาพับมันดึงจิตเราไปแล้วไปทํางานให้กับมันพอมันแทรกเข้ามาได้พับมันดึงจิตของเราไปแล้วไปก็ไปปรุงนั่นแหละอเป็นเหตุให้เกิดราคะบ้างเป็นเหตุให้เกิดโทสะบ้างอิจฉาริษยาพยาบาทปรุงกิปาถะที่มันจะเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปปรุงตามอํานาจของกิเลสงานหลักที่เราทําคืออารมณ์คําว่าพุโทโธมันทิ้งไปแล้ว เราไม่เจตนาเราไม่ตั้งใจที่จะทิ้งแต่ด้วยเหตุที่ว่าเราไม่มีกําลังกําลังเราให้พอมันดึงไปแล้วเพลอไปแล้วเพลิไปแล้วมันทิ้งความรู้สึกคําว่าพุดโทมันทิ้งไปแล้วมันไปรับความรู้สึกอย่างอื่นล่ะขาดทั้งสติขาดทั้งสัมผัสัญญาไปแล้วกว่าจะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวมันรู้ไปถึงปีธทวิบันละรู้สึกเนืรู้สึกตัวไปปรุงแต่งอย่างอื่นจนสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วแหละ ไปทำนู้นไปทานี้ไปปรุงไปแต่งไปจัดไปไปจัดไปทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กิเลสมันถึงไปไปทำจนเสร็จแล้วแหละก ว, ว่าจะรู้สึกตัวโอ้เรานั้งภาวนาโอ้หมดไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แหละเป็นร้อยขณะจิตก็ยังไม่รู้นี่คือมันไม่อยู่ทำไมถึงไม่อยู่เพราะสติของเราไม่แก่สัมปชัญญะของเราไม่กล้าเมื่อสติสัมปชัญญะ ทำงานประกอบกันสับะสานกันเราตั้งเป็นวิตกขึ้นมาเป็นวิจาร์ขึ้นมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เป็นดำริเป็นการยกจิตขึ้นจิตนี้เราต้องพยายามยกขึ้นเอาอะไรเป็นเครื่องยกเอาสติเป็นเครื่องยกเอาสัมปชัญญะเป็นเครื่องยกยกทำไมถ้าเราไม่ยกในจิตมันจะจมจมไปกับอารมณ์อารมณ์ที่เป็นนิวรณ น, นิวรน่มันจะดึงจิตไปจมดึงจิตไปอมอมแปร อมแปร่อยู่กับอารมณ์ของนิวร์แล้วมันดึงกิเลสออกไปไม่ได้รับความสงบเป็นของเหมือนกับไม่ยากแต่ก็เป็นของไม่ง่ายเลยถ้าคนขาดความตั้งอกตั้งใจนี้จะไม่ง่ายเลยแค่ความสงบแค่นี้จะไม่ง่ายเลยวันนี้ก็แล้ววันพรุ่งนี้ก็แล้วเดือนนี้ก็แล้วปีหนึ่งก็แล้วสองปีก็แล้วเราไม่ได้รับความสงบเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอย่างจริงจัง ตอนนี้เราเล่นอยู่ตรงนี้แหละฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้แหละให้มันอยู่อยู่ให้ได้อยู่ให้ได้รับความสงบตังวิตกขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นวิตกคำว่าพุทโธนี่เป็นอารมณ์ดําริเอาอะไรดรําริเอาจิตดําริเอาใจดําริพุทโธขึ้นมาให้มันเด่นอ่ราระลึกได้ว่าเราบริการพุทโธมีสัมมชัญญะรู้อยู่ว่าเราบริการพุทโธพุทโธพุทโธ เมื่อเราสติเราอยู่สัมปชัญญะเราอยู่พุทโธก็อยู่ถ้าสติของเราไม่ดีสัมปชัญญะเราไม่ดีไม่อยู่พุทโธก็ไม่อยู่จับแล้วก็หลุดไปจับแล้วก็หลุดไปจับแล้วก็หลุดไปไม่อยู่เมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรเราจะได้เมื่อไรเราจะได้ความสงบเมื่อไรเราจะเราจะได้รับความปีติความอิ่มเอิบ เหมือนอย่างที่ท่านว่าวิตกวิจารวิตตกคือความตึกวิจารณ์คือความตรองประคองกับอารมณ์ที่เราว่านั่นแหละวิตกคือความตึกวิจารณ์คือความตรองพระเขาประคองทาอยู่ซ้ำๆทําอยู่ซ้ําๆไม่ปล่อยไม่ปล่อยความรู้สึกตรงนั้นอ่าไม่ปล่อยจนจิตมันอยู่จนจิตได้รับความสงบเมื่อจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มอิ่มเกิดปีติเกิดความอิ่มเพราะคําว่า คำอาภาะอารมณ์ของคำบริกรรมคำว่ า, าพุโทโธพุธโทโธเป็นอาหารของจิตเยาว่าอย่างอื่นเป็นอาหารของจิตนะเยาว่าความยินดีความยินร้ายความพลิดพอใจความเพลินใจไปกับอารามณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นอาหารของจิตคิดเรื่องนั้นดีประเทืองความรู้เกิดประเทืองความรู้ใดครับความรู้ได้รับความพอใจเป็นอาหารของจิตไม่ใช่อาหารของจิตเรารับทานลงไปแล้วจิตต้องได้รับความอิ่ม จิตได้รับความสงบนี่แหละเป็นอาหารที่แท้ของจิตเมื่อชื่อเรานั่งนึกคิดทั้งวันตามอำนาจของกิเลสไม่มีอิ่มไม่มีความอิ่มไม่มีจุดจบไม่มีที่จบบางทีคิดเรื่องหนึ่งมันก็พายทีอี ก, อกเสริมเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งมันเสริมความาอีกเรื่องหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งไม่พอคิดเรื่องที่สองแทกเข้ามาเรื่องที่สามแทกเข้ามาทั้งจะคิดเรื่องหนึ่งทั้งจะคิดเรื่องที่สองทั้งจะคิดเรื่องที่สาม จิตดวงเดียวมันเลยรีรีขวางขวางทั้งจะคิดข้างหน้าทั้งจะคิดข้างหลังรีรีขวางขวางคิดไปคิดมากันเลยเครียดนี่ลือลักษณะของความเครียดภายในจิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตคิดไม่มีระบบไม่มีระเบียบคิดอย่างหนึ่งยังไม่หมดเอาอย่างหนึ่งแทะเข้ามาแล้วคิดอย่างหนึ่งยังไม่หมดอย่างหนึ่งแทรกเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ปล่อยอันแรกก็ไม่ปล่อยอันที่สองก็ไม่ปล่อยอันที่สามก็ไม่ปล่อย ทั้งจะคิดข้างหน้าทังจีข้างหลังมันเลๆรี ๆ, ๆขวางขวางจิตไม่สงบมันจะมีความรู้สึกงุดหงิดอ่านอกจากงุดหงิดไปแล้วก็เป็นความเครียดเราลองใช้คํำวินิจฉัยคําว่าเครียดคืออะไรเครียดเป็นอะไรก็คือจิตมันรีๆของขวางนั่นแหละมันจะจับอารมณ์อย่างไดอย่างหนึ่งมันก็ไม่จับบางทีก็ซ้ำซซํำซากไปกับสิ่งนู้นซ้ํำซากไปกับสิ่งนี้ แต่ไม่ใช่ว่าไปซ้ำซากและไปจ่ออยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวถ้าไปจ่ออยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวมันจะไม่เครียดมันจะไม่เครียดเพราะจิตมันได้รับความสงบด้วยใจมันได้รับความสงบกายได้รับความสงบไปด้วยเพราะฉะนั Auto ้นการทํางานที่ทําความรู้สึกอยู่กับงานอย่างเดียวเรื่องเดียวเนี่ยปุทธทธาท่านจึงว่านี่แหละคือการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรม ก็คือมีสติมีสัมปชัญญะอ่ารู้อยู่กับงานที่เราทํานี่ไม่คือจิตมันไม่อยู่คิดข้างหน้าห่วงข้างหลังคิดข้างหลังห่วงข้างหน้าเรื่องนี้ยังไม่จบแก้ปัญหายังไม่ตกเอาปัญหาอย่างเงินแทะเข้ามาอันนี้แทะเข้ามาสักหน่อยหนึ่งเลยเคลียรจิตไม่อยู่อเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดํารงสติให้มั่นสัมปชัญญะไม่ปล่อยจิตของเราก็จะเริ่มอยู่ เริ่มมีวิตก<โลย>เริ่มมีวิจารณ์ก็เริ่มมีปีติคือความอิ่มเข้ามาแล้วเนื่องจากเาจิตมันเริ่มสงบความสุขกข้มาด้วยความสุขเกิดขึ้นจากปีติปีติเกิดขึ้นจากความสุขความสุขเกิดขึ้นจากจิตสงบาระงับปีติเกิดขึ้นจากจิตสงบาระงับสงบระงับจากอะไรสงบาระงับจากกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวนิวรนนี่แหละคิดเรื่องตามกามรมฉันทะ คิดเรื่องพยาบาทนะคิดเรื่องรกคิดเรื่องชังนะถ้าหากไม่คิดเรื่องรักไม่คิดเรื่องชังมันก็จะพายจิตหลับจิตหลับเกิดจากภาวะหนึ่งร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะก็พายจิตหลับได้สองขี่เกียจขี้คลานคือจิตขี้เกียจขี้คลานแล้วพานึเราบาคิดลราพาดำริจิตขี้เกียจจิตไม่ตื่นจิตคอยแต่จะจมไปกับอารมณ์เราทําไปสัหน่อยก็หลับครอกครอกคอกเห็นไหม อีกเพราะอะไรก็เพราะธีนะมิทถานเนี่ยมันมาครอบงำจิตทำให้จิตเนี่ยหมดความรู้สึกมือตึบภายในจิตเนี่ยไม่มีความสว่างสวยถ้าจิตมันอยู่เป็นไงลรวภาวนาไปแล้วจิตมันโร o อยู่ข้างในเหมือนกับมีแสงสว่างตลอดจิตสงบท่านทั้งหลายอยากดูถูกความสงบอย่าตําหิความสงบาาสง บ, บางแหง่งท่านตําห์สมถะอ่า ท่านชมแต่วิปัสนาผู้ที่ตัมมิสมถะและก็ชมวิปัสนานั้นคือคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสมถะแล้วก็ไปสัมมิสมถะสมถะเนี่เป็นกำลังหนุนวิปัสนาถ้าสมถะไม่ดีวิปัสนาก็ดน้ดนดน้นเดาเดาปัญญายาณวิปัสนาญาณที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ยากก็เกิดขึ้นแต่ของที่เป็นของจอมปลอมอะไรเกิดขึ้นมากระยึดอะไรเกิดขึ้นมากระยึดอะไรเกิดขึ้นมากระยึด โอกาสที่จะปล่อยวางไม่มีเนี่ยมีแต่ของจอมปลอมเกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีกําลังคือความสงบคิดดอนคิดเดาคิดอะไรไปสารพัดปัญญาญานที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิภายะของเข้ารกเข้าฟองไปอันนี้น่ากลัวน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้จิตมีกําลังคือจิตได้รับความสงบความสงบนี้เป็นสมมติ สมถะจมิดหายไปไม่มีสติไม่มีสัมผัสัญญาเวลาสงบก็สงบมิดมืดมิ ด, มดหายไปเหมือนกับเรานอนหลับแบบไม่รู้สึกตัวอือันนั้นคือเป็นการเป็นข่าวก็ให้มันเป็นเป็นไปแต่อย่าปล่อยให้จิตแช่อยู่อย่างนั้นพยายามดึงจิตออกมาให้ให้ได้รับให้ได้สงบอยู่กับความรู้ตัวให้มันโร่อยู่กับความรู้ตัวจะมันแนบแน่น ถึงจะบริกรรมก็ตามไม่บริกรรมก็ตามจิตก็อยู่คำว่าอยู่ก็คือไม่ถูกกิเลดดึงไปลากไปฉุดไปเมื่อมันดึงไปมันลากไปมันฉุดไปก็ทําให้เราอ่อนแรงลงไปแล้วแหละอะไม่มีกําลังพอกําลังคือความสงบทําให้จิตได้รับความสงบบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเราบริกรรมก็อยู่เราไม่บริกรรมก็อยู่อยู่โดยหลักธรรมชาติของจิตที่เราฝึกฝอนอบรมได้ อันนี้คือจิตที่มีสมาธิเอาจิตที่มีสมาธินี่แหละไปพิจารณาเมื่อเราไปพิจารณาก็เหมือนกับว่าจิตของเรามันมันอิ่มมันไม่หิวเมื่อเรามีกําลังวังชาเนี่ยเราสามารถไปทํางานได้โดยที่เราไม่อิดโรยมีกําลังวังชาดิบดีจิต ท, ที่ไม่หิวเราต้องการให้เขาอยู่กับอารมณ์เบียร์เขาก็อยู่ได้ต้องการให้เขาไปพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องของข้ออัดข้อธรรม พิจารณาเกิดปัญญาพิจารณาเกิดความรอบรู้จิตเขาก็อยู่จิตเขาก็ทํางานโดยที่เขาไม่ได้อยากไปตามอำนาจของกิเลสคือกิเลสตัณหามันแทรกมาไม่ได้นิวรณ์ทั้งหลายนะั้นเป็นเรื่องของตัณหาที่มันแทรกเข้ามาเราบริการไปบริการมไปมตัณหามันพยายามแอบแอบเข้ามาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามานี่เป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวสมุทัยที่มันแอบเข้ามามันแทรกเข้ามาแล้วก็ดึงจิตเราไปใช้งาน อันนี้มันจะเป็นคู่แข่งขันกับธรรมะมันจะแซงมันจะแซงจิตที่เป็นธรรมไปเรื่อยแซงความสงบแต่เวลาเราทำไปเราทำไปจิตสงบจิตสงบก็คือกิเลสต่างๆเหล่านี้มันสงบเนื่องจากว่าสติของเราสมชัญญะของเราธรรมะของเราอารมณ์ของธรรมของเราเนี่ยมันเด่นมันชัดกว่าก็เลยสามารถมัดจิตอยูอ่สามารถมัดจิตอยู่ บริการพุโทโธพุทโธพุทโธนี่เหมือนกับว่าเป็นหลักมัดจิตเอาอะไรมัดเอาอะไรมัดจิตเอาสติเอาสัมผััญญามัดจิตเอาสติเอาสัมผััญญาเป็นเชือกมัดจิตแล้วหลักอันนั้นก็มัดไอหลักคืออะไรหลักก็คืออารมณ์ว่าพุทโธพุทโธเป็นหลักเอาสติสัมผััญญะมัดเอามัดจิตให้มันอยู่กับหลักอันนั้นเหมือนกับอาจารย์ ท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับว่ามัดวัวมัดควายมัดให้มันอยู่กับหลักเอาคำว่าพุโทโธเป็นหลักเอาสติเอาสัมผัสัญญาเนี่ยเป็นเชือกมัดจิตให้จิตมันอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธทำไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยให้มันละอยากช่วงนี้ไปจิตก็จะเริ่มสงบเมื่อจิตสงบจิตก็มีกำลังสงบบ่อยครั้งเข้าจิตก็มีกำลังเอาจิตที่มีกำลังนี่แหละมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุขันธ์น้องหลาน พิจารณารูปธรรมพิจารณานามธรรมหรือพิจารณาหลักอริยสัจสี่ก็ได้พิจารณาหลักมหาสติปัฏฐานก็ได้นะแล้วแต่เราจะมาเอามาพิจารณามาแยกแยะเรากำหนดดูกายมันก็เป็นการกำหนดดูทุกข์พิจารณากองทุกขพิจารณาลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นมันก็เป็นหลักของมหาสติ มหสติป uh. um, ัฏฐานอสุติเป็นพื้นตามรู้กายพิจารณากายกาหนดรู้เท่าทันกายกายหายใจเข้ากายหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นการกำหนดรู้ทุกเป็นการกาหนดรู้ทุกลมหายใจเนี่ยเป็นกองทุกลมหายใจเป็นกองทุกลมหายใจนี่เป็นกายกายทั้งหลายนั้นเป็นทุกเป็นกองทุกทุกทั้งหลายนี้เราทำลายไม่ได้ดอก เพราะทุกทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลเราสังเกต ด, ดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นผลมันเป็นวิบากมันเป็นวิบ า, cat, บากกรรมที่มันเกิดขึ้นมากับกายนี้มันติดขึ้นมากับกายนี้มันเป็นสิ่งสลับปลนปลือบริหารบริหารร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้เป็นวิบากกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาจากอํานาจของกิเลสที่ทําให้เราพ้นทุกข์พ้นโทษจากวัฏสงสารนี้ไปไม่ได้เรามาเกิดมาบัตเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตาม เราก็มีมาพร้อมประกอบมาพร้อมเรากําหนดดูลมก็เป็นการกําหนดดูกายเราจะกําหนดให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็คือการมากําหนดกำหนดดูกายทําไมเราจึงต้องจึงต้องกําหนดดูถ้าเราไม่กําหนดดูนี่เราหลงกายเมื่อเราหลงกายแล้วเราก็ยึดกายว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราเราไม่เคยมาพิจรารณาแยกแกียรว่ากายนี้คือสภาพของธาตุของขัน พระเจ้าท่านทรงตรัสว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุาน้ําธาตุลมธาตุไฟที่ท่นานตรัสนั้นถูกต้องเป็นธรรมแต่เราไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงตรัสเนื่องจากว่าเราไม่ได้ยัเคยย้อนมาดูกายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณากายการพิจารณากายเป็นการกําหนดดูทุกเป็นการกําหนดรู้ทุกนะฮะเมื่อเรากําหนดรู้ทุกขในขณะที่เรากําหนดดูไปพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไป เจ้าของที่แท้จริงของมันมันจะโผล่มันแอบโผล่มาให้เราเห็นนะเจ้าของที่แท้จริงของมันคืออะไรคือตัณหานั่นอ่ะเป็นเจ้าของของกายอ่ะตัณหาทั้งหลายมันมันมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเวลามันแทรกมามันแทรกมาที่ไหนมันแทรกมาที่จิตมันแทรกมาว่ากายเราว่ากายของของเรา แต่ถ้าหาเราดูไปให้ชัดดูให้ดูกายไปให้ชัดในขณะที่เราดูอยู่นั้นเน่ะความรู้สึกว่าเป็นกายเรามันไม่มีสิ่งที่แข็งแข็งแข็งที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นธาตุดินเราก็ดูว่าเป็นเป็นแข้งเป็นแค่นเป็นแข็งเช่นอย่างทรงให้พิจารณาแยกแยละเอียดเข้าไปอีกว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอาการสามสิบสองพระองค์ทรงให้เราพิจารณาแยกแยะ ถ้าเราไม่แยกแยะมันทําให้เราเนี่ยสำคัญว่าเป็นก้อนอ่าเป็นก้อนเป็นแท่งแล้วก็ยึดความเป็นก้อนยึดความเป็นแท่งว่าเป็นเราว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อเรายึดว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเวลาร่างกายได้รับความทุกข์จิตใจเราก็พลอยได้รับความทุกข์ไปด้วยเช่นเรานั่งภาวนาเป็นนานๆร่างกายมีทุกขเวทนาครอบงํา อปวดตะโปกปวดหัวเขา่าร้อนฝ่าเท้าร้อนหลังเท้าปวดไหล่ปวดคอปวดตรงไหนก็แล้วแต่ในร่างกายของเราเนี่ยใครปวดตรงไหนหนักๆมากๆเข่าเนี่ยเราก็ดูไปดูไปเราดูไปที่ความปวดน่ะถ้าเรามีไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสมาธิแน่นหนาพอมันก็มันก็ ไอตัวเจ้าของมันมันจะมากับซิบทันทีว่าเราเจ็บเราปวดโอ้ยปวดมากแล้วทนไม่ไหวแล้วต้องรื้อบรรลังคำว่ารื้อบรรลังก็คือต้องพลิกให้มันต้องเปลี่ยนให้มันนี่คืออะไรละ่ะคืออุปาทานคือความยึดของมัน่ะมันยึดมาตั้งแต่กับไหนกันไหนภูนรเรชาติกับกันใดกี่กลับกี่กักนไม่รู้แหละเราไปเกิดพบไหนชาติไหนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรมันก็ยึดอยู่อย่างนี้แหละเนื่องจากว่าเราไม่เคยดูเราไม่เคยพิจารณา เราไม่เคยย้อนจิตเข้ามาดูกายของเราไม่เคยย้อนจิตเข้ามาดูเบทนาของเราพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าขึ้นมาก็แก้นะเวลานั่งเจ็บปวดขึ้นมาก็แก่การแก้การพลิกการเปลี่ย น, น ะ, นะคือเปลี่ยนจากความทุกข์เพราะเราเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนไปปับ๊บไอความเจ็บความปวดนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสันติสัน ต, ต, น ต, ติความสืบเนื่องเนะี่ย ความสืกเนื่องเนะี่ยมันปิดกองมันปิดบังทุกทําให้เราไม่เห็นทุกตามหลักตามหลักท่านว่าสันตติคือความสืกเนื่องคือความต่อเนื่องเนะี่ยมันปิดบังทุกทําให้เรามองไม่เห็นทุกอเช่อนอย่างเรานั่งเจ็บปวดเ ร, ร, ราพลิกพับเออมันก็พลิกจากนี้ไปไปนั้นถ้าหากเรานั่งนานๆนนปวดเท่าไหร่ก็ดูไปความปวดก็สักทั้งความปวดอร่างกายไอ้ตรงที่มันเจ็บมันปวด เราก็ดูไปให้เห the ็นสัตว์ที่ว่าเป็นเจ็บเป็นปวดไม่มีเราเข้าไปอยู่ในความเจ็บความปวดไม่มีเราเข้าไปอยู่ในกายไม่มีเราเข้าไปอยู่ในเวทนาในเมื่อไม่มีเราเข้าไปอยู่ในกายไม่มีมีเราเข้าไปอยู่ในเวทนาเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือตัวสัตว์จะทำอย่างแท้จริงคือตัวสัตว์จะทำที่แท้จริงตราบใดที่เกิดความรู้สึกเกิดความยึดถือขึ้นมาว่าโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดขึ้นมา แสดงว่าเจ้าของมันมามาแสดงตัวให้ปรากฏแล้วอเจ้าของมันคืออะไรคือความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดอ๋ออยากไม่ให้ตรงนั้นเจ็บอยากไม่ให้ตรงนี้ปวดเพราะอะไรเพราะตัว อ, อุปาทานมันยึดมันแปรอ ย, อยู่เราดูขณะจิตตรงนี้อ่ามันจะปล่อยได้ไหมมันจะละได้ไหมมันจะวางได้ไหมมันกําหนดรู้เฉพาะเวทนาได้ไหม ว่าเวทนาก็สักเทาวาเวทนามาให้เกิดความรู้สึกว่ามีเราเข้าไปอยู่ในนั้นให้เห็นสักเทว่าเวทนาเอาจิตไปอยู่ตรงเนื้อแท้ของขอ ง, ของความเจ็บของความปวดเนี่ยปวดก็สักเทว่าปวดผู้ที่เข้าไปรู้ว่าปวดก็คือจิตผู้ที่เข้าไปรู้ว่าว่าเจ็บว่าปวดก็คือจิตไปรู้ว่ารู้ว่ากายเจ็บ รู้ว่ากายปวดแท้จริงกายก็ไม่ได้เจ็บกายก็ไม่ได้ปวดเวทนากายก็ไม่ทุกเวทนาก็ไม่ทุกอแต่จิตไปยึดด้วยเหตุที่จิตไปยึดนี่แหละเจ็บจริงจิตจริงได้รับความทุกข์ถ้าจิตไม่ยึดจิตก็ปล่อยทุกเห็นทุกสัตว์ทว่าเป็นทุกอันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนี่คือเห็นทุกเมื่อเห็นทุกแล้วก็ปล่อยเมื่อเห็นทุกแล้วก็ปล่อยเมื่อเห็นทุกแล้วก็ปล่อยทําไมถึงปล่อยเพราะ ตันหามันแทรกเข้ามาไม่ได้อุปาทานมันแทรกเข้ามาไม่ได้มันก็จะเริ่มปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าเรานี้เป็นความจริงเป็นความจริงที่เรียกว่าสัตยธรรมปรากฏเฉพาะจิตของเราในขณะเดียวกันเมื so ่อตันหาโผล่เข้ามาพอเราทราบปั๊มก็ดับมันโผล่เข้ามาเราทราบปั๊มก็ดับตันหาดับความทุกข์ไม่ดับแต่ว่าตันหาดับ ความเจ็บความปวดไม่ดับแต่ตันหาที่พายึดว่าเราเจ็บว่าเราปวดมันดับมันโผล่เข้ามาพั๊บดับโผล่มาพั๊บถ้าจิตเราโโรเจออยู่ตรงนั้นมันจะดับการที่มีตันการที่เราทันมันเนี่ยมันดับเรามันโผล่หน้ามาให้เรามาให้เราเห็นแล้วมันดับไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่จะสร้างกําลังใจให้เราอย่างอย่างมหาศาลทีเดียวทั้งนี้คือเราเห็นสัจจ เราเห็นสัตว์จะอย่างจริงจังประจักษ์ต่อหน้าเราอืเราก็จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยเราจะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยว่าจิตเราสักดิ์ทวารู้จิตไม่ได้รับจิตไม่ได้รับความทุกข์จิตไม่มีความทุกข์จิตไม่เป็นทุกข์จิตสักดศักด์ทว่าเป็นผู้รู้ทุกข์เป็นผู้รู้เวทนาเป็นผู้รู้กายเป็นผู้รู้เวทนาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ย้อนมาดูจิตหลงตาท่านให้ย้อนมาดูจิตเพราะเวทนาแต่เพราะตัว ตัณหาเวลามันจะโผล่มามันโผล่มาจากจิตมันโผล่มาที่จิตถ้าเราหมุนอยู่จนชินแล้วเราจะเข้าใจอันนี้แหละคือสนามสนามงานที่เราควรมาฝึกมาซ้อมมาจนช่ำชองจนให้ชำนิชำนาญไอตัวที่มันเคยแทรกเข้ามาตัวที่มันเคยแทรกเข้ามามันก็เบาลงไปอตัวตัณหาที่มันเคยโผล่เข้ามามันก็เบาไปเมื่อมันโผล่ มันมันมันเบาเข้าไปเบาเข้าไปทำเรื่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าการเห็นสัตว์จัดทำนี้เราก็ปักใจเชื่ออย่างแท้จริงมันคงว่าเออไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอย่างแท้จริงเนี่ยเราพิจารณาเพื่อเพื่อให้จิตมันรู้มันเห็นเมื่อจิตมันรู้มันเห็นแล้วมันก็มันก็ถอนคำว่าถอนก็คือถอยจากการยึดมั่นถือมั่นในกายถอยจากการยึดมั่นถือมั่นในเวทนาอ่า ปล่อยให้กายก็อยู่เป็นส่วนกายไปปล่อยให้เวทนาก็อยู่ส่วนของเวทนาไปจิตก็ถอนตัวออกมาไ ม, ไ, ปปไม่ไปเป็นเนื้อเดียวไม่ไปเป็นเนื้อเดียวกันกับกายไม่ไปเป็นเนื้อเดียวกันกับเวทนามันกลายเป็นคนละส่วนไปแล้วมันกลายเป็นเราส่วนไปแล้วอันนี้คือการเข้ามารู้การเข้ามาเข้าใจอันนี้หมายความว่าจิตเรามีความสงบแล้วเราก็มาพิจรารณาตรงนี้ ถ้าจิตเราไม่สงบเราพิจารณาไม่ได้ดอกอเพราะกําลังของตัณหามันเรียลแรงเผลอแป๊บเดียวมันสวมรอยแล้วเผลอแป๊บเดียวมันสวมรอยแล้วถ้าสติเราดีเหมือนกับเราจ้อสว่างเหมือนกับเราส่องดูสิ่งสิ่งใดที่อยู่เฉพาะหน้าไฟที่เราส่องไปนี่เราจะเห็นโรูอะไรโผล่มาเราก็เห็นอะไรโผล่มาเราก็เห็นอะไรโผล่มาเราก็เห็นนี่คือความสงบของจิต เวลาเามาใช้งานแล้วไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้เราพยายามเข้ามาทำงานตรงนี้อยู่ในวงงานตรงนี้เราจะได้เห็นสัจธรรมอย่างแท้จริงสัจธรรมที่เป็นของปลอมที่จะมาคอยหลอกลวงจิตของเราเนี่ยมันจะค่อยๆถอยไปถอยไปถอยไปสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวใจของเราเนี่ยเราจะเชื่อได้ยากเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิตรงนี้จึงสามารถตั้งหลักได้ เชื่อก็เชื่อจริงๆเชื่อแบบไม่คลอนแคลนที่ท่านเรียกว่าอริยสัจธาเป็นความเชื่ออย่างไม่คลอนแคลนเพราะอะไรเพราะเราเข้ามารู้เหตุรู้ผลตรงนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยสติของเราด้วยปัญญาของเราเองอันนี้เป็นวงงานที่เราเข้ามาทําเราทําให้จิตได้รับความสงบเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานแล้วก็น้อมมาพิจารณาตรงนี้เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเราน้อมมาพิจารณาตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน ตรงกายตรงเวทนานี่แหละกายเวทนาถ้าเราพิจารณาอย่างอื่นก็ต้องย้อนมาที่กายพิจารณาอย่างอื่นก็ต้องย้อนมาที่เวทนาพิจารณาเวทนาเราย้อนไปที่อย่างอื่นของนอกกายเราย้อนไปได้แต่ต้องเอามาเทียบกับกายพิจารณากายแล้วก็ย้อนไปเทียบกับข้างนอกของนอกกายพิจารณาของนอกกายอะ้จะต้องมาเทียบกับกาย พิจารณาแต่ข้างนอกกายอย่างเดียวพิจารณานอกเวทนาอย่างเดียวนะเป็นการเป็นการจับผิดเป็นการดูผิดเป็นการพิจารณาผิดสามารถทําให้เรารู้ผิดเข้าใจผิดไปได้กิเลสมันพาเราไปพิจารณาอย่างอื่นแล้วซึ่งไม่ใช่ตัวสัจจะที่แท้จริงไม่ใช่ตัวสมุสมทัยที่แท้จริงไม่ไม่ใช่ตัวกองทุกข์กที่แท้จริงนี่มันเข้าหลักอริยสัจสี่ทุกสมุ ท, ทยัย ในขณะที่เราพิจารณาพิจารณาพิจารณาก็คือเราใช้หลักที่ท่านเรียกว่ามรคนั่นแหละมรกมากกมาอย่งไรมมาจากความสงบของจิตใช้จิตพิจารณาค้นคว้าอยู่ในนี้มันกลายเป็นงานที่ทําไปในขณะเดียวกันเพราะมันดับมากดับน้อยมันเป็นนิโรธ ด, ดับมากดับน้อยมันเป็นนิโรธ ด, ดับจนสนิทใจเชื่อใจขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็รู้เราก็เข้าใจเนื่องจากว่ามันเป็นผลงานที่เราทําด้วยจิตของเราเอง เราจะเข้าใจในตัวของตัวเราเองเป็นเป็นปัจจัตังรู้เฉพาะตนเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนทำไมถึงรู้เฉพาะตนเพราะเราใช้จิตของเราใช้สัมปชัญญะใช้สติใช้สัมปชัญญะของเราเข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจใครจะเอาอะไรมาหลอกเราไม่เชื่อเพราะเราเข้ามาเห็นเข้ามารู้เข้ามาเห็นด้วยตัวของตัวเราแล้วเราเข้าใจตรงนี้เรารู้แจ่มแจ้งตรงนี้ชัดเจนตรงนี้ บุคคลผู้ที่เข้ามาถึงตรงนี้มายืนอยู่บนตรงนี้ได้จะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คลอนแคลนข่าวลอยข่าวลื อ, อต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ฟังสักเท่าไ่ร่ฟังโอกาสที่จะตัดสินใจเนี่ไม่ตัดสินใจง่ายๆเพราะเจ้าของเคยเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราจะเชื่ออย่างอื่นเชื่อยาก เพราะฉันโลกกระทำมก็ตกไปจากหวัจหวจิตหวัวใจดวงนั้นหวัหวใจหัวใจดวงนี้จะจะมีความเชื่อจะมีความเชื่อว่าอนิจจังเป็นไงทุกขังเป็นไงในขณะที่เรามาเกี่ยวข้องคือมาเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เป็นอนิจจังนะเป็นอนิจจังจิตเข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจตรงนี้นะจิตก็จะเชื่อมั่นเฉพาะข้อมูลที่เราเข้ามารู้ขขเข้ามาเห็น ข้อมูลต่างๆเราอื่นเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่คาดเราไม่เดาปรับใดที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ชัดเจนด้วยจิตของตัวเองแล้วจะไม่เชื่อจะวางอยู่สักตะว่าสักตะว่าเท่านั้นแหละนะเสร็จแล้วจะให้ปฏิเสธสิ่งที่เราเข้ามารู้เข้ามาเห็นปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยตัวขงตัวเราแล้วจะเป็นผู้มีเหตุจะเป็นผู้มีผลฟังอะไรได้หมดอ่ ฟังอะไรได้หมดพูดอะไรได้หมดแต่การเชื่อการเข้าใจนั้นถ้าไม่เข้าหลักก็ฟังก็งสักแต่ว่าฟังไปเรื่องโลกธรรมจะไม่มีภายในใจมีลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียอดหนึ่งไม่มียดหนึ่งเข้าใจหมดแล้วแหละทุกข์นินทาสารเสวนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของคนที่คาดที่เดาไปตามไปตามไปตามความคาดความเดาไปตามความคาดความเดา แต่ถ้าเข้ามาถึงตรงนี้เข้าใจว่าเออมีสุขได้ก็ต้องมีทุกข์ได้มีทุกข์ได้ก็ต้องมีสุขได้อสาเหตุต้นต่อมาจากตรงไหนมาจากตรงนี้เราเข้ามาเข้าใจเราเข้ามาทําตรงนี้นินทาได้สารเสริญก็ได้อนินทาสารเสริอมก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ในเมื่อขณะหนึ่งมันเจริญขณะหนึ่งก็ต้องเสื่อมมันเสื่อมก็ได้บรรดา ของทั้งหลายทั้งปวงในโลกไม่ไว่าจะเป็นลาบไม่ไว่าจะเป็นยดไม่ไว่าจะเป็นเกียรติไม่ไว่าจะเป็นนินทาสารเสวนอะไรต่างๆมีได้ก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากการคาดจากการเดาเราไม่ได้รับความทุกข์จากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เพราะจิตเรามันเชื่อยากในเมื่อมันไม่เชื่อแล้วถ้าไม่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงมันก็เชื่อไม่ได้ เชื่อไม่ได้โอกาสที่จะดึงความทุกข์มาทับถมจิตของตัวเองมันก็ดึงมาไม่ได้เดี๋ยวนี้พวกเราได้รับกองทุกข์ได้รับความทุกข์จากการยึดจากการถือจากการคาดจากการเดามีเป็นอาจินมีเป็นประจําวันถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะข้อนี้ถ้าเราไม่เข้ามาศึกษาธรรมถ้าเราไม่เข้ามาปฏิบัติธรรมวันคืนล่วงไปเราคาดสิ่งนุ้นเราเดาสิ่งนี้เดาผิดเดาถูกสร้างกรรสร้างเวนสร้างภัย ให้กับเจ้าของตุกให้กับเจ้าของไม่หยุดไม่หย่อนเนื่องจากว่าเราไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้แจ่มแจ้งอโอกาสที่เราจะสํารวมกรรมระมัดระวังกรรมกลัวเวรกลัวพายันเกิดขึ้นจากกรรมที่เราจะพึงล่วงแล้วเมื่อด้วยกายของเราเองวาจาของเราเอง ด, ด้วยจิตของเราเองมันจะไม่มีความสํารวมระมัดระมวังกลายเป็นคนประมาทนะแสะแล้ ว, ว่ากอบโกยแต่กองทุกข์กอบโกยแต่ความทุกข์ ทั้งวันทั้งคืนยืนเดิอนนั่งนอนถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วถ้าเราเข้าใจตรงเข้าใจตรงนี้แล้วเราไม่คาดไม่เดาเราไม่หมายไม่มีเหตุผลไปจักเจ่มแช้งชัดเจนภายในจิตของตัวเองแล้วก็ปล่อยไว้ตามนั้นไม่คาดไม่เดาไม่หมายไม่สร้างเวรไม่สร้างกรรมเป็นคนที่เป็นตัวของตัวไม่หลงสร้างเวรไม่หลงสร้างกรรมไปกับอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นการศึกษาทําการปฏิบัติธรรมจึงจึงสามารถสลัดทุกข์ได้เป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะไปเรื่อยจนกว่าจะจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือหมดและสมุดไทยที่มันมีอยู่ภายในจิตมันหมดไปอเราถึงจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือหมดทุกข์หมดทุกข์หมดโทษหมดเวรหมดภัยภัยทั้งหลายเราไม่ต้องมาพบมาเจออีกแล้วแหละถ้าเรามบกหมดพบหมดชาติอ ไม่ต้องมาพบมาเจอตังเวียนเรื่องภัยมัจจุราชทั้งหลายทั้งปวงอ่ามัจจุราชอามานทั้งหลายทั้งปวงเน่ะตามเราไม่ทันอมัจจุราชทั้งหลายทั้งปวงตามตามเราไม่ทันเพราะอะไรเพราะเราปราบตัวจอมของมัจจุราชได้แล้วคืออ่าคือกิเลสกิเลสนี้เป็นกิเลสสมาน อเราประมานตัวนี้ได้แล้วตัวที่ทําจิตของเราให้คุณให้มมวให้เศร้าหมองเราปราบได้แล้วเนี่ยมัดจุมารมันก็ดับไปออภิสังขารมารที่เคยหลอกลวงจิตของเราก็ดับไปมัดจุมารก็ดับไปเนื่องจากว่ากิเลสสมาน์มันดับไปแล้วเมื่อกิเลสดับไปแล้วขันธมารก็ไม่มีขันธมารก็ดับไปด้วยมารทั้งหลายเกิดตามเราไม่ทัน เราไม่ต้องไปได้รับทุกได้รับโทษได้รับเวีนได้รับภัยจากอะไรเราเกิดมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเวียนภัยทั้งหลายทั้งปวงตามเรามาเป็นพวงนะเพราะฉะนั้นพระติเจ้าท่านจึงทรงตำหนิภพชาติแม้แต่พระอนาคามีอไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสพระองค์ก็ยังทรงตำหนิเพราะความเกิดนั้นอืถึงแม้ว่าจะเหลืออยู่ภพชาตินิดน้อยนิดแค่นั้นก็ตาม ก็ย่อมนำเอาทุกมาให้เปรียบเสมือนคูดพร่องทรงเปรียบเสมือนคูดอแม้จะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เปื้อนมือเราก็มีกลิ่นไม่ดีมีกลิ่นเหม็นพึงรังเกียจชั้นใดภพชาติที่เราไปเกิดแม่น้อยนิดก็ตามก็ย่อมนำความทุกขมาให้กับจิตใจของเราด้วยด้วยเหตุความลุ่มหลงของเราแม้เพียงน้อยนิดก็ตาม ก็จะเป็นรอยด่าๆดำๆมืดๆทึบๆอยู่ในนั้นแหละมันไม่เจียมแจ้งมันไม่เจิดจ้าอย่างเต็มที่100ร้อเปอร์เซนต์พระองค์ทรงตำหนิทรงตำหนิพบทรงตำหนิชาติแต่พระอนาคามีนั้นท่านจะดําเนินไปเองไม่ช้าท่านก็พ้นทุกข์พ้นโทษไปได้มันสําคัญว่าพวกเรานี่ทําอย่างไรเราจะมาอยู่ในคลองของศีลคลองของธรรมได้ทําไมเราจะเข้ามาสู่กระแสของธรรมได้ เหมือนเราเข้ามาสู่แม่น้ำํำที่จะพึงไหลลงสู่มหาสมุทรได้ถ้าเราจะเทียบเหมือนกับาแม่น้ําอะไรแม่น้ำเจ้าพยาอ้าวไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับเราเป็นอะไรล่ะลอยอยู่ในกระแสแม่น้ํำเหมือนสมมติเราเป็นน้ําตกอยู่ในคลองที่เป็นเจ้าพยานก็จะถูกพัดไปเรื่อยพัดไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยจนถึงมหาสมุทร เราเข้าไปอยู่ในกระแสด้วยอาเิส่์ของธรรมที่เรามีภายในจิตใจของเรากระแสของธรรมก็จะพัดเราไปเรื่อยพัดไปตามอำนาจของธรรมกิเลสมันก็ตามแทรเข้ามาเรื่อยนั่นแหละเราก็ต้องต่อสู้ต่อสู้เพื่อละเพื่อวางไอสิ่งที่เราละยังไม่ได้ไอสิ่งที่เราวางยังไม่ได้เราก็ละไปเรื่อยวางไปเรื่อยละไปเรื่อยวางไปเรื่อยต่อสู้เข้าไปเรื่อยในที่สุดเราก็ผ่านอาตรงนั้นผ่านตรงนี้ ผ่านที่คดที่งอผ่านที่สูงผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยจนถึงทะเลมหาสมุทรน่นะคือที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นเป็นเป้าหมายที่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้เดินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะความทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่น่าเค็ดน่าลาบทุกอะไร ทุกน้อยใจทุกน้อยเนื้อทาใจตาใจทุกเสียไปทุกได้มาไม่สมใจทุกผิดหวังทุกอากไม่เสมอหน้าทุกากเจ็บจากปวดจากป่วยไขย้ทุกสารพัด ท, ที่จะพึงเกิดขึ้นในกายนี้ทุกสารพัด ท, ที่จะพึงพึงเกิดขึ้นในจิตนี้ เพราวิธีเดียวเท่านั้นที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องพยายามถีบตัวเราให้ไปให้ได้จะต้องตั้งอกตั้งใจที่ต้องยึดความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเพื่อที่จะทีบตัวเองไปให้พ้นพ้นจากกองทุกกองโทษกองเวรกองภัยอเหมือนอย่างที่เราปรารบถึงภัยนั่นแหละอุทกกับภัยน้ําท่วมเดี๋ยวนี้เขากำลังเดือดร้อนอยู่อ่าจากนั้นก็วาตะภัยเอทุกลมทุกพายุมาพัดมากระนา สามารถทำให้หักให้โคนให้อะไรทำให้เราได้รับความทุกข์ทรมารทรมานอยู่ ừ, ทุกลมทุกอุทกภาายัยน้ำท่วมทุกไฟไหม้ทุกน้าท่วมทุกอิจฉาริษยาทุกจนทุกขโมยทุกอะไรสารพัดเนื่องจากว่าเราเกิดมาในภพในชาติเราจะต้องประสบพบเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องไม่แปลก พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกความเจ็บความปวดความป่วยไข้มีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกความอิจชาริษยาพยาบาทะความปล้นความขโมยความคอร์รัปชันอะไรทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ในโลกความด่าอิจชาริษยาพยาบาทจองเวรจองภัยจองกรรมต่อกันและกันมีอยู่ในโลก สำคัญว่าเราพยายามขีบตัวเราให้พ้นจากโลกถ้าเรายังไม่พ้นจากโลกเราก็จะต้องชุ่มแปรแช่อยู่กับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้โดยที่เราไม่ต้องสงสัยเลยผู้ที่ตั้งใจศึกษาธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมเข้าใจตรงนี้ได้อย่างดีอ่าแล้วก็เป็นเหตุให้เราได้กำลังใจพวกเราฟังจับส่วนที่พอจะทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็ยึดถือไปเป็นครอบ ประพื่อเป็นข้อปฏิบัติฝึกซ้อมอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งต้องการให้สงบไม่สงบฝึกซ้อมอยู่จนสงบไม่รู้ไม่เข้าใจพยายามฝึกซ้อมจนให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อจะได้เป็นกำลังจิตเป็นกาลังใจเป็นสบียงเลี้ยงจิตใจของตัวเองอแล้วพยายามเดินทางไปจนกว่าจะพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยในวัฏสงสารลพอสมควรแล้ว พวกนี้พวกนี้ที่จริงพระเราออกมาช่วยดูเลยนะอย่ายมมามากงๆนี่พวกอาหารการฝกการฉันการอะไรเนี่ยท่านทาอยากให้ออกมาช่วยดูแหละนะท่านอาจารย์ภูนสักอีกะายอีกเนี่ยทำไงอาหารหลายคนเขาทำเพิ่มไหมอะไรไหม พวกเราก็ดูอาหารอย่างทุกวันนี้ก็จะให้พวกเอ๊ซะกค้อนด้วยใช่ไหมหลือหือใครให้บางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้หรืองไงแล้วก็พรุ่งนี้ก็พวกสิงคโปร์ก็มาอีกเก้าคนอีกเนี่ยเราต้องช่วยดูกันนะที่นอนที่พักที่อะไรก็อยู่กุตูออนเนี่ยพวกเราไปช่วยกันดูกันดี ตัวออนอยึดยังไงตัวอ่อนเปิดผ้าหอมมาก็ออดตึ๊บโอ้ไหหรือสาขึ้นมากตึ๊บอ้โคืออันนี้มันเป็นไปนตามนิสัยนิสัยบางคนถูกฝังนิสัยมาอย่างั้นกเป็งนงั้น บางคนฝึกมาดีแล้วก็<อ>มีความเป็นระเบียบมีความสะอาดเรื่องเหลนี้เราไม่คิดไม่ได้หรับเราไม่คิดเราก็ก็รู้ต้องรู้ด้วยปริศนยุตาปุขละปุคละปารโอปารัยุตาปริศนยุตาประชุมชนรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนอ เป็นเป็นเป็นเป็นสัพพุธิธรรมเป็นธรรมะของสัตว์ปรุษสัพพุทธธรรมธรรมะเขาออกอะไรบ้างนะเขาเอออะไรไปออกบ้างธรรมะเขาว่าไงบ้างะเอาข้อไหนไปออก <c oughs> ถามว่าไง อออันนี้มันออกประจำเนีทำมีปการะมากมและที่เราเคยผู้คุณนออกบ่อยมากเลยตอบได้หรือเปล่าทำมิปการมากอยู่ควนไม้หนึ่งสัญยาดองหนึ่งนี่นั่นบอกสนใจะ เอออย่าเพิ่งปิดอ่าเราไม่ต้องปิดดอกไฟเราไม่ได้เสียค่าไฟปิดทำไมเราไม่ได้เสียค่ามิเตอร์อะไรเดี๋ยวลงไปตกลองยินในเขาออกอะไรบ้างายินนนะลาที่สี อนุาชาละอ่านี่เ <c oughs> ขามักจะออกเขามักจะออกเราไปดูที่เขาเคยออกมาไปจำพอสอนเราดูดูดูดด <c oughs> เราจะรู้เลยว่าข้อไหนเขาชอบออกการที่เราจะดูเดาๆไว้ก่อนเนี่ยง่าย <c oughs> นี่เป็นองค์ความรู้นักธรรมเนเป็นองค์ความรู้ <c oughs> เราเป็นนักธรรม แต่เราไม่รู้ทำเรามาคิดดูนะเหมือนช่างไม่มีเครื่องมือเหมือนในพรานไม่มีอาวุธเหมือนสู้ศึกด้วยคำปั้นสู้มันได้ไหมการที่เราเรียนเราทรงแบบนี้มันเหมือนเราพยายามมีอาวุธเราพยายามมีเครื่องมือเราพยายามมีอาวุธครูบาอาจารย์ท่านตำมิ เรียนมาแล้วไม่ไปทําตามที่เราเรียนรู้มีท่านตำหนิมากๆกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแต่เราภาคปฏิบัติเรารู้แล้วเอามาปฏิบัติถ้าเราศึกษาเพื่อเอามาปฏิบัติเนี่ยมันรู้อะไรนะิดเล็กๆ Umwelt, น้อยๆยู่งๆนี้ยื ย, ย, ยึดมาเป็นข้อปฏิบัตหิหมดนะโดยเฉพาะวิมัยเนี่ยข้อเลขขอ็กข้อน้อยข้ออั น, ออนบัดรหนักอบัตรเบายมันยึดหมด มันสมบูรณหมดมันระวังหมดมไม่มันไม่ประมาทหมดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องมาเสริมใจเป็นเครื่องมาเสริมใจด้วยออกแตจะไปศึกษาเอาแต่ใบประกาศเฉยแล้วไม่ทําตามหรือบทข้อไหนข้อไหนก็ไม่กลัวล่วงแล้วเมิดหมดเนี่ยอีกครูบาอาจารย์ท่านตน้องมีปริญญาปริญญาแล้วก็ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติขาดปริยญาเหมือนกับเราขาดเครื่องมือเหมือนกับเราขาดอาวุธสู้ศึกด้วยคำปั้นลองดูที่สู้ศึกด้วยคำปันไปรบทับจับสึกด้วยคำปั้นดูที่ทันเขาไหละ่ะการที่เรามีสิ่งเหล่านี้บ้างมือนก็เราเบื่อหูเบื่ตาของเราเองแม้แต่เรานั่งฟังครูบาอาจารย์พูดทํามไสฟังเนี่ก็คือปริญญา การที่เราได้เห็ น, ไ ด, นได้ยินได้ฟังเนี่ยคือปริญญาต์อย่าลืมแล้วเราจะเอาไหมเราเข้าใจไหมแต่มันเป็นประญญาต์แบบเน้นแบบเน้นปฏิบัติอันนั้นคือเน้นตามหลักสูตรหลักสูตรคือความเข้าใจน่ทั้งพยายามพูดเกี่ยวกับเรื่องวาระจิตที่เราทํางานแต่และเป็นในเป็นในเป็นไ ง, เ, นไ ง, เ, นไงเออมันก็อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างมันจะไม่เหมือนกันทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าคุณบาอาจารย์ที่ท่านพูดแนวปฏิบัติเนีมันจะมีความพูดถึงลึกละเอียดลึกเจาะลึกลงไปเจาะลึกลงไปคุณบาอาจารย์ทางปริยัตท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดผิอๆเฉินๆตามตําลาที่ท่านพูดตาราพูดไว้ยังไงท่านก็มายกะพูดตามนั้นแต่คุบายอาจารย์ที่ท่านเอามาท้วสศมีเดินไปแลรัศมีเจาะลึกขลงไปทีจะพูดแปลกแหลมจิงใจมันเจาะใจมันเป็นปริยัตแบบปฏิบัติ ก็ดีกว่าเมื่อต้องตาท่านว่าเนีะยการที่เรามานั่งภาวนาแล้วก็ฟังเทศที่อุบายญาณท่านท่านพูดมันจะทําให้เราได้ประโยชน์หมายว่าจิตมันยังไม่เปลี่ยนไปได้กว่าที่เรานั่งคนเดียวเรานั่งคนเดียวก็แบบนั้นกลนข้อคอข้อคนะเอาไหมแบบนั้นนะคายหน้าคล้ายตาหมดหรือปัญหาใจญ่แหงปัญหาใหแรงเป็นไป ปัญยานี้ก็ดูดูกันแหละจากนี้ไปกถินนี่เต่จุ่งแหละมีนุ่นมีนี้มีการมีงานมีอะไรต่ออะไรนี่ใช้ความสามัคีช่วยดูกันเลยโดยเฉพากคนมาพักเนี่ยมันลำบากนะเราที่พักเราไม่ผอมม้ลำบากนะ นอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่ไว้ใจคนของเราคนของเรามีไว้พริกเหงื่อพร้อมไม่พอไหมอยู่ที่อาศัยที่ไรถูกมันสก็รกมันอะไรอะไรเราก็อดคิดตามเลยเมันเห็นเห็นอยู่หูเราใครมีนิสัยละเอียดลออก็ช่วยดูดู นี้เก็เตรียมเนี่ยที่อยู่ที่พักที่อะไรนห้องน้ำห้องท่าอะไรดินไปทำไปกรถิ่นนี่เราก็ทอดตอนสายไงถิ่น <S 1> <S 1> ทอดเสร็จเขทอดเสร็จเก็กินกินข้าวลางวักินข้าวางวันเสร็จเขาก็าไปกลับตอนเช้าก็ทอดที่ดวงตามาที่เราเนี่ยจะทอดตอนสายเราสี่โมงสี่โมงห้าโมง แล้วก็วันออกพัรษานะาวันที่23นะมันจะมีคณะผ้าป่ามาห้ารถบัสรถบัสสองชั้นน่นรถสองชั้นรถบัสใหญ่ๆเขาว่านะแต่เวลามาลมันจะใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่รู้ห้าคันวันที่23คณะผ้าป่าของคุณอะไรหนอ ย, อยู่จะกินบรีนจะมาห้าคันปีที่แล้วเขามาสามคัน ปีนี้เขามา5คันเขาจะเข้าไปวันห้องปุลีก่อนแล้วจะมาถึงเราประมาณเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ามาดูนะลีนนี่แหละบ่ายบอกนะเขาโทงมาบอกใครทูนมาถึงบ่ายแล้วมาถึงตอนนี้บ่ายเลื้อๆตอนสายสีม่มงห้ามง เขามาหาเราเสร็จแล้วเขาจะไปนอนวัดท่านท่านท่านจงว่าท่านจงที่จุงมใหญ่เขาจะไปทอดกระถิ่นที่ว่าท่านจงช่วยมุงสลาทุ่งจงพวกนี้พวกที่จะมาทอดที่จะมาทอดรับป่าหเห่าอันนี้แข่คนมาเยอะๆเราก็ต้องช่วยมุงกั น, นเวลาเวลาอยู่ในที่คับขันถ้าใครทําอะไรไม่ถูกให้มาใกล้เราเราจะได้บอก บางทีเราจะบอกใครก็ไม่เห็นมีใครมาใกล้สักคนเลยไก่ได้บอกคนนั้นดูนั้นะคนนี้ดูนะนี้คนนั้นทำ น, ะ น, ทำนะนั้นคนนี้ทานี้คนนั้นเอานันคนนี้เอานีา้มันก็มันก็ได้บนที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนว่าเราโอ้ใจใครก็ไม่ได้ไม่มีใครมาใกล้เลยหรือจะบอกใครมันก็ไม่ไหวสิงส่งเหล่านี้เราต้องทำแหละเราไปบ้านเขาวัดเขาเขาก็ทํา น, นี่เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมของผู้มาผู้ไปแทนผู้มาเราไปหาเขาคือผู้ไปอาคันธุ ก, กะอาคันธุ ก, กะอิตต้อนรับอาคันทุ ก, กะกิดของเจ้าถิ่นที่จะต้องต้อนรับอาคันธุ ก, กะทำยังไงเราทำโทรด้นี้ก่อน สูในนักธรรมโ ท, ทนี้อาคันตุกะมาเจ้าถิ่นทํำยังไงควรจะทำยังไงท่านบอกแล้วแล้วเวลาเราเป็นอาคันตุกะไปหาเขาเนี่ยเราควรทําตัวยังไทงท่านสอนนะจะดูในยี่นัยมาทำท่านโทอยูไ่ไงหลักสูตรนี่แหละ แค่พวกที่เรียนพวกที่เรียนพวกที่ดูหนังสือไปสอบนี่ก็อย่าอย่าไปควรผู้ที่ตั้งใจภาวนาอย่าไปควนอย่าไปควรอย่าไปชวนคุยอย่าไปชวนอย่าไปควรกันแหละว่าเงี้ยเมีสายของใครของเราไปเขาตั้งใจภาวนาก็ตั้งใจภาวนาไปกที่จะดูหนังสือไปสอบก็ดู หมดช่วงดูเราก็ตั้งใจภาวนาในขณะที่เราดูเราศึกษาเราอะไรอยู่เราก็ตั้งใจตัใจไปไม่ปล่อยเราทําแบบนี้เราได้ผลโดยที่เราให้โอกาสกับตัวเองทุกระยะทุกเวลาเห็นความสําคัญของเวลาทุกๆเวลาเราก็มีแต่จะตักตวงก็เข้าเป็นคนที่ตั้งใจจะเก็บของรอมพิกเพื่อความเป็นเสถียรมหาเสถียร ไม่ให้อยู่แบบลอยๆ อ, อยู่แบบตําบุญตำกรรมเหมืนนอนเหมือนปลาตายเหมือนปลาเน่าลอยทุบป๋งทุกป๋องทุกป่องทุกป่องตำบุญตำกรรมชํางหนมอยหนึนง่ง ไ, <อ>ไปติดสวะในกองสวะมันมีแต่ของเน่ามั้งมันเป็นข้อประมาให้เราดูแล้วเราเทียบไปติดสวะไปติดกองสวะไอ้สีที่ไปติดสวะมันมีแต่ของเน่า เราดูตรงนี้เป็นอุปามาแล้วเอ๊ะเราจะเป็นสวะคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นสวะตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าปล่าถ้าเราปล่อยชีวิตเราให้ลอยตุกปงทุกปงตุบปงไม่ต่างอะไรกับปลาเน่ามันเป็นสภาวะลอยไปตามน้ำไปไหนมันก็ไปไปติดสวะอนะ่ะในกองสภาวะนะั้นมีแต่ของเน่าเนทะ่านั้นดูดิโดูเห็นพระพธิ์ด้อะไร